ในพระ อ, องค์ก็ยังตรัสพระ อ, องค์ก็ได้ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนื่นช้าหรือว่าปปัญจะทำกิเลสเครื่องขยายวัตตะเนี่ยนะคือตันหามานะทิฐิย่อมครอบงําบุรุษเพราะอายตนะใดเหตุเคืออายตนะเนี่ยนะคือตันหามานะทิฐิเนี่ยจะครอบงําหรือเป็นไปถ้าจะท่วมทับพวกเราทั้งหลายเนี่ยท่วมทับเพราะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่าใด ถ้าบุคคลไม่มีตัณหาที่จะเพลิดเพลินในอายตนะคือตาหูจมูกเล่นกายใจว่าเรายึดถือว่าเราว่าของเรากล่ำกลืนดื่มกินเบ็ดเสร็จรวบอายตนะทั้งหลายว่าเราว่าของเราอะไรคือปกติแล้วเนี่ยกิเลสตัณหาเนี่ยมันครอบงำอะครอบงำที่ไหนก็ที่อายตนะทั้งหลายถ้าดับสัญญาเนี่ยหรือตัดสัญญา หรือตัดกิเลสที่ไม่ครอบงําตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรอันนี้แหละเป็นที่สุดแห่งราคานิสัยคือคือตัดบาตตัดอกุศลตัดกิเลสในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นั่นแหละแน่นแหละที่สุดแห่งราคานิสัยนะที่ทำมาคําว่าตัดตัดกิเลสเป็นต้นเนี่ยมันเป็นชื่อของพระนิพพานถ้าไม่แทงตลอดพระนิพพานตัดกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระนิพพานนี่แหละ ที่เป็นที่กำจัดความเพลิดเพลินความยึดถือความกล่ำกลืนในอายตนะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชานุัยพระนิพพานที่ผู้ใดตรัสรู้เนี่ยนะสภาวะของพระนิพพานเนี่ยนะ เป็นธรรมที่กําจัดอนุสัยทั้งพวงเพราะอริยมมัชที่แทงตลอดคืออนาคามิมัชที่แทงตลอดพระนิพพานกําจัดกามราคานุสัยกําจัดภวานุสัยโสดาปฏิมัชที่แทงตลอดพระนิพพานกําจัดทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยอะรหัตมัชที่แทงตลอดพระนิพพานกําจัดมานานุสัยกําจัดภวราคานุสัยธรรมที่สุดแห่ง อวิชชาุสัยเพราะฉะนั้นพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้สาตราการทะเลาะการยึดถือเอาผิดผิดการโต้เถียงการด่าการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จ น, นะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สิ้นสุดหรือเป็นที่ดับอกุโสลธรรมอัลามกโดยไม่มีส่วนเหลือในในเหตุนั้นหรือในอายตนะนั้นเอางี้ถ้าไม่มีตาเราจะทะเลาะกันไหม ถ้าไม่มีหูเราจะทะเลาะ ก, กันไหมไม่มีจ ม, มูกไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจมันจะทะเลาะ ก, กันไหมถ้าตรัสรู้ทำเป็นที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วใครจะทะเลาะ ก, กับใครเคยเห็นอะไรนะคนหลับตาแล้วนั่งทะเลาะ ก, กันเรื่องภาพไหมปกติทุกคนสมมุติหลับตาหมดแล้วนั่งเถียงกันเรื่องเออสีขาวเขียวเหลืองน้ำแดงอนี่นะก็ไม่ทะเลาะ ก, กั น, ยนอย่างเงี้ยหรอถ้าดับอายตนะได้สิ้นเชิง ม, มันก็ไม่มีอะไรที่มาเป็นเหตุให้เกิดอนุสัยอนุใสเนี่ ย, ย, ย, ยมันเกิดเนี่ยอนุสัยมันเกิดที่อากาศได้ไหมไม่ได้ อนุสัยเกิดโดยปราศจากวัตถุและอารมณ์ได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าไม่มีวัตถุและอารมณ์แล้วอนุสัยมันจะไปแขวนอยู่ที่ไหนล่ะถ้าตรัสรู้ทำเป็นที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจและนั่นแหละที่สุดของอนุสัยที่สุดแห่งอกุศลที่สุดแห่งการทะเลาะเอางี้นะถ้าเราทะเลาะทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องขันห้าทะเลาะเรื่องอายตนะ12ถ้าตรัสรู้ทำเป็นที่ดับขันห้าดับอายตนะ12อเอาอะไรมาทะเลาะกัน พันขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงเกลื่อนรถโพธิภพธรรมมรมณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะเนี่นะถ้าตรัสรู้ธรรมที่ดับสังคตะธรรมเหล่านี้ถ้าตรัสรู้ธรรมที่ดับสังคตะคือขันห้าถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสังคตะคืออายตนะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเอาอะไรมาทะเลาะกันเพราะมันไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะกันนี่เลยที่เรียกว่า สิ่งที่พระองค์มีปกติตรัสสอนสิ่งที่พระองค์มีปกติบอกแล้วไม่ต้องไปโตเถียงกับใครคือเนี่ยบอกตามความเป็นจริงจนจบลงที่พระนิพพานนิหลเรียกว่าพระองค์สิ่งที่พระองค์สอนอันที่จริงมันเป็นอีกปริยายหนึ่งนะที่พระองค์บอกว่าเดี๋ยวสูตรต่ อ, ต, อต่อไปจะมีว่าเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็แสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นนี่ก็เหมือนการคําสอนของพระองค์ที่พูดเนี่ยบอกพระองค์มีปกติว่ายังไง มีปกติสอนอย่างไรเนี่ยนะมีปกติบอกสอนอย่างไรมีปกติแนะนําอย่างไรก็บอกก็บอกว่านี้ทุกทุกมันเป็นอย่างนี้และความดับทุกขมันเป็นอย่างนี้ทุกเกิดเพราะเหตุนี้ถ้าเธอจะปฏิบัติเพื่อความดับทุก์เธอต้องปฏิบัติเช่นนี้เพื่อดับเหตุให้เกิ ด, กดทุกถ้าเธอทําอย่างนี้ได้เธอก็จะทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะแต่วางว่าคนพานทั้งหลายก็ไปทะเลาะกับพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เนี่ยนะ ไม่ใช่อย่างนี้สิก็เสนอทางเลือกต่า ง, า ง, างๆนานาไปแต่ที่แน่ๆก็ดิ้นเร่าๆไปเรื่อยๆคาําอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะในหน้า209บอกว่าปะปัญจะสัญญาได้แก่สัญญาอันประกอบด้วยเครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะทิฏฐิอันหนึ่งเครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะทิฏฐินั่นเทียวตรัสด้วยชื่อว่าสัญญาเพราะอยู่ในส่วนแห่งเครื่องเนิ่นช้ามันทําให้เนิ่นช้าช้าแค่ไหนอ่ะ ช้าแค่ไเรียกว่าวัดตะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยสบายเดี๋ยวนะช้าขนาดไหนเอาทำจริงอ่ะโดยมากนะใจจริงๆแล้วรีบบรรลุอริยมรรคไหมเอาโดยมากจริงๆเนี่ยนะใครรู้สึกว่ารีบมั้งเอา้เอาตอนที่กําลังกินอิ่มอร่อยอร่อยเนี่ยรีบเจริญอริยมรรคเลยไหมไม่ตอนก็แหมง่วงเลยจะหลับแล้วเนะี่ยรีบเจริญอริยมรรคไหมโดยมากมีใครรีบหรอกช้าเนี่ยสบายยันสบายชาวนาเนี่ยนะเย็นไม่เห็นนะ่าเดือดร้อนไม่เห็นจะต้องรีบไปไหนเลย ก็เลยก็เรียกว่าปกติเลยเรียกว่าไอตัวที่ทําให้เนิ่นช้าอย่างนั้นก็คือตันหาตันหาอันบอกว่าจะรีบไปไ น, น, นะนะเนี่ยนะมาณ์อันก็บอกงยได้ขนาดนี้มันดีแล้วพอแล้วเนี่ยนะทิทีก็บอกอุย๊ยมันตรงกันข้ามซะอย่าไปเลยทางโน้นทางนี้ดีกว่าเนี่ยนะก็เรียกว่าพูดให้กลับหลังซะเนี่ยนะแทนที่จะเรียกว่าไปตรงตามข้อปฏิบัติที่นําไปสู่มรรคผลนิพพานทิทีบอกกลับหลังหันเนี่ยนะก็ตรงกันข้ามอ่ะ นั่นแหละหลักการของทิฏฐิทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตันหาปะปัณฑจะสัญญาสัญญาที่อยู่ในส่วนแห่งเครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะทิฏฐิส่วนเหล่านี้นี่แหละที่ทําให้เนิ่นช้าครอบงําท่วมทับเป็นไปบทว่าเอตทะเจณทิอภินันทิตัพังความว่าครั้นกล่าวครั้นกาณะคือเหตุแห่งอายตนาสิบสองใดมีอยู่ หมายคําว่าถ้าอายตนะ12ยังมีอยู่สัญญาเครื่องเนิ่นชาก็ย่อมครอบงําอายตนะเหล่านั้นถ้ายังมีตาอยู่ยังเพลิดเพลินในรูปไหมเพลินในรูปถ้ายังมีหูก็ยังเพลิดเพลินในเสียงถ้ายังมีจมูกอยู่ก็ยังเพลิดเพลินในกลิ่นถ้ายังมีลิ้นอยู่ก็ยังเพลิดเพลินอยู่ในรสถ้ายังมีกายอยู่ก็เพลิดเพลินในโพธพภะถ้ามีใจอยู่ก็ยังเพลิดเพลินที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็กลืนกินใยอย่างเสร็จสรร ก็เรียว่าเพลิดเพลินกล่ำกลืนกลืนกินติ้อยู่นั่นแหละนะเพลิดเพลินกล่ำกลืนแล้วเคี้ยวกินอย่างเบ็ดเสร็จในอายตนะทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละว่าเราว่าของเราเนี่ยนะว่าเป็นอัตตาของเราเรี่าอภินันทิตับพังเพลิดเพลินว่าเราว่าของเราอภิวัติตับพังก็ว่าเราว่าของเราอีกนั่นแหละจะไปไหนก็กล่ำกลืนกลืนก็เคยเคยเห็นปลาหวบเหยื่อไหม นันแลมันกลืนไว้อย่างนั้นว่าตาตาเนี่เป็นเราเป็นของเราแต่ที่ไหนได้มันเบ็ดชราและมรณะฉุดไปแล้วเนี่ยนีฉุดไปสู่ชราและมรณะพระองค์นี้ตรัสถึงความไม่เป็นไปแห่งตันหานั่นเทียวด้วยบทนี้ว่านั่นเป็นที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะเอเซวันโตเนี่ยมาว่าที่สุดเนี่ยมาว่าที่จบที่สุดหรือที่ดับไอคําว่าที่สุดอันนี้เป็นชื่อของพระนิพพาน พระนิพพานนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมที่อัตวัตะแห่งตันหาตันหาไม่เป็นไปตันหาถูกเพิกถอนโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะตรัสรู้นิพพานใดอันนั่นแหละพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าเป็นที่สุดแห่งราคานุสยัยที่สุดแปลว่าถ้าตรัสรู้นิพพานราคานุสัยจบที่สุดแปลว่าจบแล้วว่ากันหมดแล้วเราหมดโอกาสของราคะแล้วันผู้ที่ตรัสรู้พระนิพพานนั้นบอกไม่มีที่อะไรจะราคะบอกว่าหมดโอกาสแล้ว เขอบอกว่าที่สุดหมายคือว่าโทสะหมดโอกาสแล้วถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะโทสะหมดโอกาสถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วมิจฉาทิฏฐิหมดโอกาสแล้วนะก็เรียกว่าไม่อยู่ในวิสัยของมิจฉาทิฏฐิแล้วนะถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยเรียกว่าที่ส oh ุ ước. Ước. Ước. ดแห่งวิจิกิจ <guarante _ Nature>. ิารนุใสที่สุดแห่งมานานุสัยที่สุดแห่งภวะราคานุสัยที่สุดแห่งอวิชานุสัยแต่ขันห้ามันเป็นโคจรของอนุสัย เช่นว่าอุปาทานขันห้าทั้งปวงเป็นที่โคจรแห่งทิฏฐานุายัยวิจิกิจฉานุายัยและอวิชานุายัยขันหาที่เป็นปิยรูปสาตรูปเป็นที่โคจรแห่งการาคานุายัยขันหาที่เป็นอปียรูปอสสาธรูปเป็นที่โคจรแห่งปฏิคานุสยัยนะรูปประพบอรูปประพบเป็นที่โคจรแห่ง ภาวะราคานุสัยพันขันท่าจึงเป็ น, ดนแดนโคจรแห่งอนุสัยทั้งหลายเป็นแดนโคจรแห่งตัณหาถ้าพาระนิพพานเป็นที่ดับขันท่านั่นแหละเป็นที่สุดแห่งราคานุสัยที่สุดแห่งปฏิคานุสัยที่สุดแห่งทิฏฐาวิจิกิจฉามานาภวะราคะและอวิชานุสัยันพระนิพพานนั่นแหละจึงเป็นที่สุดแห่งทุกทั้งหลายเนี่ยเป็นที่สุดแห่งทุก แล้วก็พระนิพพานเนี่ยเคยเห็นผู้ที่บรรลุพระนิพพานเนี่ยลกถกกันไหมทะเลาะ ก, กันจับสาตราเข้าศึกชิกศึกชิงนี้โสดาบันทะเลาะ ก, กับพระสะกทาค า, ามีไม่มีในโลกไม่มีไม่เคยมีและจากไม่มีต่อไปในอนาคตไม่มีอย่างเด็ดขาดเพราะนั้นพระอรหันตเหล่านั้นพระเรียเจ้าเหล่านั้นจะไม่มีการจับท่อนไม้ทะเลาะ ก, กันเลิกทะเลาะ ก, กันเลยขอให้เป็นพระอริยในยบางทีนะตอนแรกนะทกกันหน้าดําหน้าแดงพอบรรลุไปแล้วเงียบพักกันดีแล้วเกินกันเลยไม่มีเพราะทุกคนรู้ว่า มันเหมือนกับอะไรนะมาทะเลกกาะกันเรื่องอะไรทะเลกกาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเพรงนั้นแหละนะทะเลกกาะกันเรื่องดินน้ำลมไฟเนี่ยก็เห็นว่าตอนแรกก็บอกแม็กตอนแรกไงสมมติ ว, ว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยพระพุทธพจนเรียกว่าอะไรนะอสสรพิษใช่ไหมที่เรียกว่าอสสารพิษที่เรียกว่าใครจับคนนั้นถูกกัดถกกันว่า อ, อสสารพิษของฉันอสสารพิษของแกคือหมายความว่าทุกคนอยากได้เป็นของตัวของตัวของตัว พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เห็นว่านี่มันบ่ออารพิษเนี่ยแกจะถูกกินหมดแล้วเนี่ยนะพอลุกขึ้นมาพ้นเนี่ยทะเลาะกันเรื่องแย่งอารพิษจะมีอีกต่อไปไหมสมมุติว่าเราเนี่ยตกไปในบ่อบ่อหนึ่งเหวเหวหนึ่งเนี่ยนะเหยวใหญ่มากเลยนะช่องทางที่จะหนีไม่มีแล้วอารพิษเต้ไปหมดแต่ละตัวนี่แม่ลิ้นสองแฉกข้างนั้นเลยแล้วก็มีมีงอนมีอะไรแต่ละตัวนี่แม่กาลังหิวโซกันหมดนี่ครึกนึกครึ่งอกครึ่งใจนึกว่าตุ๊ ก, กตานึกว่าของเล่นแม่อยากได้ ก็มาทะเลาะกันว่าแกจะเอากี่ตัวฉันจะเอากี่ตัวแกจะได้ตัวนี้กันจะไม่ได้ตัวนี้เพราะตอนหลังมีคนมาฉุดบอกว่านั่นงูเหา่าเห็นไหมคนกลืนกินเนี่ยนะพอพ้นมาแล้วเนี่ยเลิกทะเลาะกันเลยนะเรื่องทะเลาะศึกชิงงูเหา่าอะไรน่นนะศึกชิงงูเหา่ามันจะชิงไปทําอะไรมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าอ้าวส่งอีกนายหนึ่งก็เหมือนกับว่ามีมีโลมีกล่องกลองหนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่ากล่องของขวัญเนี่ยแหมทาสีทอง อย่างดีเลยเนี่ยนะแต่พอดีมันข้างในเนี่ยมันมีมีศพนอนเต้มไปหมดเลยแล้วมาทะเลาะกันเนี่ยนะทะเลาะกันแม้ใครของฉันของเธอของเธอของฉันน่ยทะเลาะกันอยูนั่นแหละแล้วก็มีบัณฑิตคนหนึ่งมาเปิดให้ดูกลิ่นหึงไปหมดหนีกันไปหมดเอาไว้นะยกให้ทีก็ไม่มีใครออกเหมือนกันชั้นใดก็ดีนั้นถ้าตรัสรู้ว่าขันห้าเป็นเช่นใดตามเป็นจริงเนี่ยนะถ้าบรรลุพระนิพพานที่สุดแห่งทุกข์ไม่รู้แต่ไอ้สิ่งที่เรามันทะเลาะกันเนี่ย ต้องเลาะเรื่องอะไรแล้วทะเลาะให้เป็นอะไรมันทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะก็เหมือนกับเด็กๆทะเลาะของเล่นนั่นแหละพระโตขึ้นมาแล้วจะขำจริงๆเลยไอ้ที่เราทะเลาะมันมันแหมมันขำเหลือเกินเนี่ยนะเชื่อไหมมนุษย์ทะเลาะกันเทวดาหัวเราะกลิ้งเลยนะโอ้โหเนี่ยหรือมันทะเลาะกันเรื่องแค่เนี้ยเหรออุ้ยขำจริงๆเลยนะยแล้วยิ่งเทวดาทะเลาะกันเนี่ยพรมขำเลยนะอุ้ยพวกนี้ทําอะไรกันเนี่ยนะสิ่งที่พรมเพลิดเพลินพระรหามท่านบอกว่าอสุภะสินดีกัน คือมันคอลเลคชันกันนะมันก็เของอันนี้มันคื อ, ค, อคือการตรัสรู้ธรรมที่ระดับสูงมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอบอกว่าผู้ใดที่ตรัสรู้พระนิพพานอย่างสูงสุดแล้วเนี่ยจะเลิกจับท่อนไม้จับสาตราเลิกทะเละเลิกถือผิดเลิกเข้าใจผิดสะทีเข้าใจแล้วมันคืออะไรเนี่ยนะ เลิกโตเถียงไม่มีการด่าว่าไม่มีการส่ อ, สอเสียดยุยงส่งเสริมให้เล้ารานกันเป็นต้นไม่มีไม่มีการพูดเท็จพูดแต่ความจริงก็ความจริงมันเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าท่านรู้เวลาพูดนะและท่านพูดเป็นอยงนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยถึงที่สุดแห่งอกุโลธรรมอัลลา ม, มกทั้งหลายอย่าลืมว่าที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้คือพระนิพพานทีนะ่ที่เป็นธรรมที่ดับสังคตาธรรมทั้งปวง บทว่าเอเถเตความว่าอากุสุลธรรมอ ล, ลามกเหล่านี้เนี่ยจะมีได้เพราะอาศัยอายตนะสิบสองในหน้าสองเกบรรทัดล่างๆบอกว่าจริงอยู่กิเลส ท, ทั้งหลายแม้เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะสิบสองเมื่อจะดับดับที่ไหนก็ดับที่อายตนะสิบสออายตนะสิบสอเป็นที่โคโจรของกิเลสกิเลสมันจะเกิดเกิดที่อายตนะสิบสอถ้าจะดับกิเลสดับที่ไหนก็ดับที่ อายตนะสิบสองกิเลส ท, ทั้งหลายเกิดที่ใดก็ดับในที่นั้นด้วยประการฉนี้หน้าสองร้อยสิบเนื้อความนี้พึงเป็นสมุทยสัจะปัญหา